จึงทําให้เรากลัวทําให้สะทกสะทานกลัวจะเป็นกลัวจะตายกลัวอะไรเลยกลัวไปหมดแม้ทุกข์ก็เลยกลัวทุกน้อยทุกใหญ่ทุกอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรกระทบกระเทือนไม่ได้เลยมีแต่กลัวผลที่สุดในจิตเต็มไปด้วยความหวาดความกลัวไปเสียทั้งสิน้นะทั้งๆที่ความหวาดความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตโดยตรง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 มูนยันมุนยันมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่ารูปกรรพริกรสทั้งหลายจิตเดิมแท้ของใสนะแต่อาศัยความคลาดคร้าของกิเลสรือกิเลสจรมาจึงทําให้จิตเศร้าหมองนวะ่าจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุติต่างหากไม่ใช่หมายถึงเดิมแท้แห่งความบริสุทธิ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาสาหรับพระพัฒลมิดังจิตตังนะพิกคอย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 กมาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนหรถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาที่จะเป็นสัพพัญญูได้ก็ออกจากสยามภูที่สุดพระองค์ทรงปฏิบัติเองและรู้เองเห็นเองถึงขั้นแห่งความมืดสุดหมดตรวจของจิตด้วยด่างประจักษ์พระไทยแล้วจึงได้นำํำทำนั้นมาสั่งสอนโลกและเวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องหุ่มห่อจิตใจอยู่นั้นจึงหาความบริสุดไม่ได้ทั้งๆที่เราต้องการหาความมริสุดด้วยกันทุกคน มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังอยู่นั้นแล้วไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วก็มีขันห้านี้เป็นที่หนึ่งส่วนถ้าว่าจิตตวิชานั้นยกไว้ก่อนเอาพูดอย่างเด่นๆนะคือขันหานี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองก็รูปเสียงรื่นรดเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกาย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 มาตั้งแต่ดึกดับมันการไหนทุพบทุกชาติต้องแม้จะเป็นสัตว์ก็ต้องถือว่าเรานี่เป็นร่างของสัตว์เป็นตัวของเราจะเป็นกายทิพย์ก็ร่างกาทิพย์ก็เป็นตัวของเราจะเป็นเป็กเป็นผีเป็นอะไรก็ตามเถอะสิ่งที่อาศัยอยู่ร่างหยาบร่างละเอียดต้องถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งมาเป็นมนุติที่พอรู้จักดีจักขั่วแล้วก็ยังต้องถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราคือขันห้ารูปว่าเป็นเรา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 ทุกขั้งคือความบีบ บ, บังคับไปตลอดเวลานี่แหละนี่เหมาะดังที่ว่าย้ำไปฉันนั้นปฏิตําปีทุกขงังอันนี้โกงกับคําที่ว่านี้พัฒนาจิ่งได้ไม่奢หวังเป็นทุกเป็นทุกคืออะไรมันบีบพั้นตัวเองคือความไม่สบายนั่นแหละพัฒนาจิ่งนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายพัฒนาสิ่งได้ไม่สหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พร า, ากจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคำว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละ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 ปา่าช้านอกคนตายเกลือนในครั้งพุทธกาลมันป่าช้าผีดิบนี่ยคอยจะเผาจะฟังกันเหมือนทุกวันนี้ท่านจึงสอนให้พระไปเยี่ยมปชาช้าตายเก่าตายใหม่เกือเก่อนกราดเต้นไปหมดแล้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศ น, น, นั่นทิศนี้ท่านก็สอนไปโดยลําดับนั้ตามความฉลาดแหลมคมความูุที่ย่ผู้เป็นสยมภูหรือผู้เป็นศาสดราของโลกนั่นแหละให้ไปทางเหนือลมทั่นก็สอนแล้วเมื่อไปเจอซากศพที่นั้นเข้าเข้ามาเข้าไปแล้ว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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่ของสะอาดนํามานุ่ง ม, มาห่มมันยังต้องสกรปรกจะต้องไปชาติไปล้างซักฟอกยุ่งไปหมดที่บ้านทเรือนเหมือนกันต้องเช็ดต้องถูปัดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทํำความสะอาดเพราะมนุษย์สกปรกเขา พ, พิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกรปรกแม้แต่าอาหารบวานท้าวที่ มีความอรเด็ดอร่อยสีสันมันน่ก็น่าดูน่าชมรสชาติก็อรเด็ดอร่อยเพราะเข้าไปคั่กขากับสิ่งที่สกรปรกอยู่ภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ําลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะขยงเพราะเหตุห็ดลก็เพราะร่างกายนี้มีความสกรปรกอยู่แล้วตามหลักตามหลักธรรมชาติของตนอันในที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกรปรกด้วยกันนี่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าพิจาณาอจูพะอื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 เมื่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลแล้วพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ป่าช้าผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ปัาชาผีแห้งผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมอยู่นี้หมดอไปเผาในเตาไฟไม่เราไม่ว่าป่าชาเตาไฟหรือ ว, ว่าครัวไฟความจริงก็ปัาชาของสัตว์นั่นแหละแล้วขนเขามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่อนี่เต็มไปหมดนี่เป็นที่ฝังศพศพใหม่ศพเก่าจึงเกินอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความที่อิียาไม่เกิดความ ต้องโลดเวทใจใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นหนังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปี้ยวเกียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปวดเปื้อความยึดมั่นถือมั่นความต้องกาผิดอันเป็นความโง่เขลาบอกพญายังตนออกได้โดยลําดับๆกิจ้างเราจะมีความสว่างกระจางแจ้งฉายแสงมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็ตาม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 ท่านตกไว้ตีเข้ามือไว้อย่าไปเอื้อมนะตกไว้ตีไว้อย่าไปเอื้มนะ อ, อมว่าเป็นเราเป็นของเรานะคำว่ารู ป, ปังอาตาของอุปมามเหมือนอย่างนั้นเองอย่าเอื้อมอย่าไปยืดถ้าเห็นว่ามันเป็นหน้าตาอยู่แล้วนั่นหลักธรรมชาติของมันเป็นหน้าตาไม่เป็นของใครทั้งหมดอนัตตานัตต์ไม่เป็นตนไหนเขาบอกอยู่แล้วนี่คือการพิจารณาร่างกายเ อ, อกนั้นกนําหนดทำมันสลายลงไปจะสลายลงไปแบบไหนก็เอา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 ไฟก็ความอบอุ่นเป็นต้นมีอยู่แล้วภายในร่างกายพิจารณาลงไปหาชิ้นไหนว่าเป็นเราเป็นของเราหาดูสิมันไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเป็นสมบัติเดิมของเขาเท่านั้นคือดินน้ําลงไปเป็นสมบัติเดิมของธาตุอันของเขานี่อนันหน่ะเพียงเท่านี้จิตของเราก็สงบแน่วลงไปได้เมื่อจิตได้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถอนตัวเข้าไปสู่ความสงบแนว่วแ น, วแนว่อยู่ภายในตนเอง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 ตแต่ก่อนเราเราเริ่มนั่งที่แรกมาเห็นเป็นแต่ก่อนเรายังไม่เป็นไข้ก็ไม่เห็นปรากฏทุกเวทนาเกิดขึ้นมานี่เวลาเราเก็บไข้ได้ป่วยแล้วมันตึงปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนมันไปหลบทอ่ออที่ไหนถ้ า, าเป็นตัวของเราจริงจิตของเรารู้ยตลอดเวลาทุกเวทนาทำไมไม่ปรากฏแล้วทําไมจึงมาปรากฏในขณะนี้ถ้าว่าเป็นเราณเวลาทเวลาทุกเวทนาดับลงไปทําไมจิตของเราจึงไม่ดับไปด้วยถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงต้องดับไปด้วยกันเนือทุกจิต คือความรู้สึกนี้มีอยู่สามใดทุกคเป็นาก็ไม่ก็ควรจะมีอยู่สามนั้นถ้าเป็นอันันเดียวกันและไม่ควรดับไปเนี่เอาพิจารณาให้ชัดแล้ะแยกดูกายด้วยอม่นาจะใกายเกิดขึ้นเช่นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้เอากําหนดดูกระดูกอ่ะถ้ามันปวดกระดูเกเจ็บกระดูกมากๆกระดูกนี่หรือเป็นตัวทุกอ่าถามดูแล้วถามที่ตรงไหนให้จ่อด้วยนะอย่าถามแบบเพ้อเล้ไปต่างๆ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 โ ร, ial, โรคภัยไข้เจ็บหายไปหรือเวลาเราลุกจากที่นั่งภาวนาพเพราะเกิดความเจ็บปวดมาก น, าามนี้หายไปความทุกข์นี้หายไปกระดูกทำไมไม่หายไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันนี่นแสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกับกายกายไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนา ก, กนยนายกับกจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตเนี่เวทนากับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างกิงของเขาแล้วแยกดูให้เห็นธาตุเยนตามความจริงนี้เวทนานั้น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 ความจริงก็พิจารณาให้เห็นความจริงเท่านั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็ตามขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ขึ้นมานด้วยปัญญาของเราเป็นที่พอใจแั้นเรากําหนดที่ตรงนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับนีต่ตายมันเกิดขึ้นมาเป็นชั่วการชั่วะยะมันก็จะแตกจะสลายไปที่เรียกว่าดับที่เรียกว่าตายทุกขเวทนามันเกิดร้อยครั้งพันครั้งวันหนึ่งมั น, นมันก็ ดับร้อยครั้งพันครั้งเหมือนกันมันเอาที่ลังทาวันที่ไหนเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเราให้ทราบความจริงของทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเอาตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญาในเรียนตัวสํญญาคัญมากพอสังขารปรุงแพรบขนาดแหละสัญญาจะยืดเอาเลยแล้วหมายนั้นหมายนี้ยุ่งไปหมดนี่พวกข้อควรพวกยุ่ยแยให้เกิดเรื่องนั้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกนี้เองพวกสังขารพวกสัญญาท่ญญานสำคั ญ, ญมันหมายว่านั่นเป็นเรานั่นนั่นเป็นของเราหรือนั่นเป็นทุกข์ที่ของนั่น เกลีปวที่วกนี้กลัวร้อกลัวตายกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอยาก่างกลัว ห, หมดคือพวกนี้เป็นผู้หลอกให้ให้กลัวและวจีก็เลยหว่นไปตามเลยทอถอยความเพียรแพ้น่าให้ทราบว่าเวทนามันหมายขึ้นมาพับก็คือความหมายเวทนาคืออาการอันหนึ่งของขันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับสัญญาอนัตตาน่ะมันก็เป็นอนัตต า, าเช่นเดียวกันจะไปถือมันยังไงจะเชื่อมันยังไงนะมาเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นความผิด กำหนดตามมันรู้ชัดเจนสังขานเพียงปุงปุงแผลบแผขึ้นมาภายในจิตใจก็เพิ่มขึ้นมายับยับยับยบชั่วขนาดเกิดขึ้นขนาดไหนมันก็ดับแต่ขนาดนั้นเขาหมัน่นเราจะเอาสาระแห่งสามนายจากสั้งขานอันนี้จากสัญญาอันนี้วิญญาณก็เพียงอะไมีอะไรมาสัมผัสมันก็ทราบแล้วมันก็ดับไปดับไปผลสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับเต็มขันอยู่นี้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 เราขับกิจแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสง่าพาเผย <S 2> <S 2> อาถรรพอยู่ภ า, นายนกิจไม่ช่โตกสะทานถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอะไม่มีอะไรชะโตกชะทานแล้วเพราะเรื่องแตกไปนั้นมีล้วนแล้วทั้งแต่เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารมีญยาณทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องคือไม่ใช่เรื่องผู้รู้คื อ, คอใจนี้แตกไม่ใช่ผู้รู้คือใจนี่ตาย มีแต่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเป็นที่แตกที่ดับที่สลายไปมีความสําคัญมันหมายขอยงเราที่หลอกตัวเองนี้เท่านั้นท้าทำให้เรากลัวถ้าเราจับจุดแห่งความสําคัญนหมายนี้ว่าเป็นจางทุกขลตามไม่น่าที่จะเชื่อถือแล้วเราดุด้วยปัญญาของเราแล้วจิตของเราก็ถอยตัวเข้ามาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อความจริงเชื่อปัญญาที่พิงายนาอย่างแหลมคมนี่อันหนึ่งพิจารณาอย่างนี้อา้าว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 พอรู้เท่าโดย र र ปัญญาแล้วก็ปล่อยปล่อยไปหมดะ <inaudible> มองเห็นแต่เพียงจิตกระเพื ab, ่อมยับยัยับยับยับไม่มีอะไรสาระอะไรเลยคิดดีขึ้นมาก็ดับคิดทั่วขึ้นมาก็ดับคิดอะไรอะไรขึ้นมาขึ้นที่ว่าสั <savage> สงขารของตุ้งแล้วดับด้วยกันทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยมันมีอะไรตั้งอยู่พอที่เป็นสาระแก่นสารได้ให้เป็นที่ตายใจได้เลยแล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะป้อนสิ่งนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆหรือรผักดันสิ่งนี้ให้มาหลอกเจ้าของเรื่อยๆนี่ นี่แหะท่านบอว่าพระพัชรมีดังจิตตังพิคเวคงนี้เองที่นดูความพิจารหลายจิตเดิมแทบผ่องใสนแต่อาศัยความคักเข้ า, ขาขงคงิเลี่ยแล้วความจรมรย์เี้จรมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรส จ, จากเครื่องสัมผัสต่างๆจรมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารญญาณที่ความสังขันหมายไปกว้านอมานี้อย่างหนึ่งเนี่ยที่ทําให้จิตมันผ่อมันเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยเองอันนี้เอง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 ทีนี้เวลาเราพิจารณารอบไปโดนดับแล้วมันจะรวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นเป็นความป่องใสขึ้นมาภายในจิตใจและความป่องใสนี่แหละแม้แต่สติปัญญาที่เป็นมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องหลงความป่องใสเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเกิดความแปลกประหลาดเกิดความพระเจริญดูเหมือนว่าสง่าผ่าเผยเเต็มที่จะไม่สง่าผ่าเผยยังไงก็ราชาแห่งวัตจักรนี่อืผู้นี้แหละเป็นผู้มีอํานาจ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 ความผ่องใสนี้จะเป็นจุดให้เราทราบได้อย่างชัดเจนเลยว่า น, นี้คือจุดแห่งความผ่องใสแล้วเมื่อมีความเศรหมองขึ้นมาตามสภาพของจิตหรือตามขั้นตามภูมิจิตก็จะเพาะจะเศร้าหมองขึ้นมาในจุดที่ว่าผ่องใสนี่แหละความผ่องใสกับความเศร้าหมองนี่เป็นคู่เคียงกันคือเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้หลงธรรมชาติที่ผ่องใสนี้จึงต้องมีความภาวะควรระรมัดระวงังรักษาตลอดเวลากูาอะไรจะมา กระทกระเทือนจะทําจิตที่ป่องใสนี้ให้เศร้าหมองไปแม้จะเป็นความเมองอันล ะ, ละเอียดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งไม่ควรนอนใจได้ทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาเอาเพื่อให้ตัดกังวลลงไปความผ่องใสนี่คืออะไรกําหนดลงไปให้รู้เราไม่ต้องกลัวความป่องใสนี้จะคิดหายมากลวงไปแล้วจะล่มจมคิดหายไปด้วยการพิจารณากําหนดลงไปให้เห็นทัดเจนความมองใสนี้ก็เป็นอันนี้จะลักษณะทุกขาลักษณะอนัตตลักษณะเหมือนกันกันกบสภาพธรรมทั้งหลาย ส่วนที่เราพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรปิดกันเลยนอกจากมีความละเอียดต่างกันบ้างเท่านั้นเนี่ยจึงไม่มีไว้อะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วปัญญาให้ฟาดฟันลงไปกําหนดลงไปตัวที่ตัวจิตนั่นแหละมันอยู่ที่ตัวจิตนั่นเองค ว, ความป่องใสเนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นชัดที่สุดในร่างกายเหล่านี้จะ ม, มีอะไรเด่นยิ่งกว่าความป่องใสนีกจงถึงกับให้เกิดความอัจฉริยะให้เกิดความรักความชังงวนอ้อยอิ่มอยู่ภายในนั้นไม่อยากให้อะไรมาแต่ต้อง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 เป็นขนาดหยิที่สําคัญมากที่ขาดจากสมมตริระหว่างวิมุตติกับสมมติขาดจากกันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านว่าสาเร็จอ阿ัตมัคเข้าก้าวเข้าถึงอ阿拉ตผลก็หมายถึงจุดนี้เองขนาดที่อวิชชาดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่าอมาัคสมบูรณ์เต็มที่แล้วก้าวเข้าถึงผลพอธรรมชาติคืออวิชชานี้สลายตัวลงไปโดยหมดปัญหาแล้วก็เป็นผลเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานหนึ่งภายในภายในอันนั้น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 กับผลหยุดทํางานกันเท่า น, นั้นท่านเรียกว่า น, นิพานหนึ่งคือเป็นอิสระอย่างเต็มที่แล้วไม่มีกิริยาอะไที่แสดงอีกต่อไปในการถอดถอนกิเลสท่า น, นเทียงว่าท่านเรียกว่า น, นิพานหน่งแต่ว่าอาาร h a t h a ก็เลยเสนอท่านสําเร็จอาารห Hathapun คำว่านิพานหนึ่งก็พวกก็พูด ก, กันได้แต่เมื่อจะแยกให้เป็นสมมุติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแสงแล้วต้องว่านิพานหนึ่ง ผมจะเหมาะสมดีเราคุยเจ้าสมัตมากสี่ผลสิ่นิพนธ์นี่การปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติต่อจิตใจเราเองใครเป็นผู้รับทุกข์รับจากและล ำ, ลำบากเส้นใจทุกวันนี้เป็นผู้จองหาถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาใครถ้าไม่ใช่จิตใครเป็นผู้จองจำจิตถ้าไม่ใช่กิเลสศาสนาสว่าง แต่ก็ต้องแก้ที่ตัวข้าสิทต่อจิตใจนี้เองด้วยปัญญามีปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่สามารถแก้กิเลสได้ทุกประเภทจนกระทั่งสลายตัวลงไปดังที่กล่าวแล้วนี้หมดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องรูปก็แล้วเวทนาก็แล้วสัญญาสัญญาอินญาเป็นแต่เพียงอาการอาการเทนั้นไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทนาสัญญารูปเสียงกลิ่นรสเคิ่องสบัติก็เช่นเดียวกันต่างอันต่างกิงต่างอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีกรมีปัญหาอะไร มีแตจิตเป็นสำคัญความสะอาดนะขนาดต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปเราได้พิจารณาแล้วอันนี้ันทุกขังนาตาไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้จังก็คือความแปรสภาพทุกขังนาตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วยังอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตายไปแล้วเราจะปไปยึตอะไรเมื่อทราบตามความจริงอย่างนี้แล้ว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 ถึงเวลาที่ตายก็ตายไปเพราะในกลางข่ายคือปัญญารอบด้านหมดแล้วแล้วจอหวันอะไรตอวั่นอะ้รตอความจริงมันก็หมดสิ้นไมนมีอะไรเหลือแล้ ว, ล ว, ลวเอาละการแสดงธรรมก็กมาสมควรพอดีเทปก็หมด